พุทธศาสนสุภาษิตวันนี้เนี่ยอยากจะพูดคุยกับคุณหมอในประเด็นเรื่องของวันเวลาสักนิดหนึ่ง ค, คุณหมอลองดูสิคาะว่าเดือนแรกของปีพุทธศักราชสองพันห้ารอยห้าสิบตอนนี้เราว่าเราเพิ่งจะฉลองปีใหม่กันนะคะคแต่ว่าแพ๊เดียวค่ะหายไปหนึ่งเดือนละ ว, วันเวลานี่ ผ่านไปอย่างที่บางทีเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันเนะเาะก็เพราะว่าเวลาในวารีเดินทางผ่านไปแล้วไม่เคยถอยหลังกลับค่ะครับก็เป็นคำกล่าวที่เอาไว้เตือนสติเราเนี่ยครับบางท่านก็บอกว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปท่านกำลังทําอะไรอยู่เขาเรียกว่าผู้ที่มีจิตสานึกจึงจะรู้สึกถึงความสำคัญของเวลาที่มัน ผ่านไปเรื่อยๆแม้แต่ทุกินาทีนะครับพี่จีน่นก็มีความสำคัญอย่างที่มันเป็นคำพูดเหมือนกับอาจจะเรียกว่าดูเฉยๆนะว่าเวลาเนี่ยทุกคนมีเท่าๆกั น, นธรรมชาติให้เวลาเรามาเท่าๆกันแล้วก็เหมือนว่าได้มาฟรีด้วยนะครับพี่จีนนา่านเนี่ยสิคาไม่มีต้นทุนเนา ะ, ะไม่มีต้นทุน บางคนก็เลยเห็นเวลาเป็นของลุงลังหรือเป็นภาระนะฮะต้องฆ่าเวลาอีกฮะโอ้ไปฆ่าอีกต้องฆ่าอีกต้องฆ่าเวลาค่ะแต่ถ้าเรามองดูดีๆแล้วเนี่ยเวลานี่เป็นของหายากมากๆเลยฮะแมกว่ามีเงินก็ยังซื้อไม่ได้นะฮะพี่นะดังคำที่หลายคนมักจะบอกว่าเสียเวลานะคะคใช่ฮะทั้งๆที่เวลาเนี่ยก็มีไว้ให้เสียนะคะ ไม่ได้มีไว้ให้ได้ไม่มีใครจะขอบโกยเวลาเพิ่มได้อะ<ฆ>เวลาชีวิตของแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่ถดถอยน้อยลงไปเรื่อยๆดังคําที่บางท่านบอกว่าชีวิตเนี่ยเป็นของเหลือน้อยนะคะคแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าเราเนี่ยแต่ละคนไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะรอวันตายแต่ความตายเนี่ยรอเราอยู่ข้างหน้าจริงๆคะ่ะผมเคยฟังพระอาจ า, ารย์ไพศาลวิสาโลท่านเทศไว้ว่า จริงๆแล้วความตายกับความเป็นมันอยู่เหมือนเหรียญเดียวกันเหมือนเหรียญสองหน้ า, ามันจะพลิกไปพลิกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้ทั้งสิน้นแล้วจริงๆเราถ้าจะว่าในตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยความตายมันก็เกิดขึ้นอยู่ในทุกขณะขอยู่แล้วเซลล์ทุกๆเซลล์ที่มันเป็นเหมือนว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็มีความตายปรากฏอยู่ยทุกๆขณะที่ชีวิตของเราเหมือนว่าโดยรวมเนี่ยมันดําเนินไปแต่ว่าชีวิตโดยระดับเล็กๆเนี่ยมันก็มีความตายแอบอยู่ ความตายก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนั่นแหละเป็นอาจารเกิดดับที่เกิดอยู่ตลอดเวลาในกายข อ, ของเรานี้ใช่ไหมคใช่ครับค่ะทุกขณะที่มีการเกิดก็มีความตายเกิดขึ้นนี่ถ้าว่าชีวิตโดยรวมเนี่ยมันยังไม่ตายมันเหมือนว่าจะยังอยู่แต่ว่าเรามักจะไปสนใจกันตรงสภาวะที่ว่าตนจะตายจริงๆเนี่ยซึ่งะจะเป็นสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราต้องสูญเสียเราต้องพัดคลาดผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าอย่าไปที่จิตใจของเรายัางไม่ ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงเชื้อเกิดยังมีอยู่เนี่ยทุกคนตายแล้วก็ยังต้องเกิดอีกค่ะใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าไม่ได้ฝึกกิจก็เช่นเดียวกันว่าเบื้องหน้าในการตายของเราเนี่ยมันจะมืดใช่ไหมคือมืดคือไม่รู้ว่ามันจะไปทางไหนใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่าการเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะไปดีหรือไม่ดีเนี่ยตรงเนี้สําคัญผมมีเหตุการณ์การตายอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นหนังชีวิตจริงๆนะฮะค่ะ ถ้าเป็นทหารเนี่ยก็เป็นการเสียชีวิตในสนามรบเมื่อจะเผาเนี่ยก็มีถงชาติคลุมใช่ไหมแบบเรียกว่าสมเกียรติว่าเั้นนี้ของตัวอย่างเหตุการณ์หนึ่งนะที่เป็นการตายอย่างสมเกียรติของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เองเนี่ยอีกท่านหนึ่งเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือว่ามีงานปฏิบัติธรรมอันหนึ่งก็มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมเนี่ยจํานวนไม่มากประมาณสักสิบห้าคนยี่สิบคน นะครับคเสร็จแล้วก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งนะครับไปเข้างานปฏิบัติธรรมอันนี้ด้วยเนะี่ยมีการถือศีลแปดมีการเจริญสติทําความรู้สึกตัวมีการผ่อนคลายกันมีการปฏิบัติกันอย่างเข้มข้นคะ่ะและโดยธรรมชาติของการปฏิบัติธรรมผู้ที่เข้าคอร์สการปฏิบัติธรรมเนี่ยคงเข้าใจดีว่าในช่วงสองสาวันแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่เรียกว่ายานเกียรติวัดกําลังเกิดขึ้น่นะฮนะ คือเป็นไปด้วยความที่ว่าอึดอัดขัดเคืองยังไม่มีกลมกลืนกับเรื่องของการปฏิบัติใช่ไหมคะอ่าจะเป็นช่วงที่อารมณ์ของเรายังจะไม่เข้าที่เข้าทางจะมีความเบื่อหน่าย ค, ความง่วงเหงาหานอนความขี้เกียจความลังเลสงสัยเนี่ยมันจะมาพยายามช่วยเรากลับบ้านผู้ควบคุมการฝึกอบรมเนี่ยก็ต้องรู้จังหวะนะจังหวะไหนจะเร่งจังหวะไหนจะผ่อนคลายเหมือนสซนลัททีอ่ะอย่างเหมือนสซนลัทีคนขับรถขับเรือก็ต้องดูว่าอ ลูกเหลือเราเนี่จะท่าทางจะไปร อ, อดไปรอดอะไรยังไงเนี่ยค่ะฮะก็ปรากฏว่าวันที่สี่ของการปฏิบัติเนี่ยก็มีการผ่อนคลายบรรยากาศวันนี้ก็จะเป็นวันผ่อนคลายกันพระผู้ควบคุมการปฏิบัติเนี่ยท่านก็มาพูดคุยกันท่านก็ถามว่าทําบุญแล้วรู้จักตัวบุญไหมนะอยากรู้จักตัวบุญไหมค่ะนี่ทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมเพราะเราเกิดมาเนี่ยเรา สนใจเรื่องการทำบุญให้ทานใช่ไหมฮะเพื่ออยากที่จะได้มีบุญเยอะๆแต่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้จักว่าหน้าตาของตัวบุญเนี่ยเป็นยังไงอ่าเรียกว่าทำบุญอาจจะไม่ได้บุญต่ทั้งที่มันก็มีบุญเกิดขึ้นเนี่ยก็มีอยู่เยอะนี่พอพระที่ควบคุมการปฏิบัติเนี่ยท่านว่าอยากเอาตัวบุญมาให้ดูเนี่ยค่ะทุกคนก็สนใจทีนี้ท่านก็เลยบอกฮะให้จับคู่กันนะก็ปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยก็ไปจับคู่กับคุณแม่ คุณแม่ของตัวเองภุกคนก็จับคู่กันไปเรื่อยๆค่ะพระที่ท่านควบคุมการปฏิบัติเนี่ยท่านก็ถามว่าอา้าวทาไมจับคู่กับคุณแม่ลูกก็ได้บรรดัญญาติด้ว่าอ๋อคุณแม่เขาเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครเป็นผู้มีพระคุณกับเขาอย่างไงค่ะแม่ก็เป็นปลื้มใช่ไหะมีปีติ ม, ตมีความอิ่มอกอิ่ใจนะครับเสร็จแล้วตอนท้ายๆ เ, เธอก็พูดว่าการปฏิบัติธรรมด้วยกรรมฐานเนี่ยดีที่สุดนะวิปัสสนาเนี่ยดีที่สุดนะครับ แม่เขาก็คงอิ่มอกอิ่นใจอ่ะเนาะทีนี้พระที่ควบคุมการปฏิบัติท่านก็ว่าอ้าวลูกพูดแล้วเนี่ยแม่ก็พูดอะไรถึงลูกหน่อยอะไรต่างๆเนี้ยเกี่ยวกับลูกบ้างก็ปรากฏว่าเธอพูดไม่ออกนะฮะเธอพูดไม่ออกเรี ย, ยวกว่ามีความตื้นตันใจมากก็เลยเหมือนกับว่าโผลเข้ามาซบการกอดกันต่างๆเนี้ยเออมีความรักมีความซาบซึ้งใจซึ่งกันและกันแล้วปรากฏว่าหลังจากที่กอดก็ได้สักครู่หนึ่งเนี่ยก็ มีอาการของการหยุดเต้นของหัวใจนะพี่สิิ์นะเรียกว่าหัวใจหยุดทํางานโดยเฉียบพลันเลยใช่ใชไม่มซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยลักษณะอาการอย่างนี้เนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะของเหมือนว่ามีเส่นเลือดหัวใจติดค่ะนะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตอย่างกะทนนันหันนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเกินมาใ น, ในเกิดขึ้นในงานปฏิบัติธรรมนะอืมนะก็เหมือนกับว่าเทหารตายในสนามรบอย่างที่พูดไว้ช่วงแรกค่ะนี่ถ้า ไปเล่าให้ใครฟังอย่างนี้เนี่ยแม้แต่ชาวบ้านที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้มีธรรมะในจิตใจเนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันกันว่าโอ้เนี่ยไปดีใช่ไหมฮะไปดีแน่ว่างันเพราะว่าในคันที่เสียชีวิตเนี่ยมีปีติมีความอิ่มอกอิ่มใจแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าการตายในลักษณะนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินมานะครับ เป็อย่างมากก็นอนตายไปเฉยๆค่ะใช่ไหมฮะนอนหลับไปอาจจะเป็นคนปฏิบัติธรรมอะไรเสร็จแล้วก็นอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นเคยได้ยินบ้างแต่ว่าพี่ไ อ, อยู่กลางสนามลบนะกาลังถือศีลแปดอยู่นะกปฏิบัติธรรมกันอยู่เรียนสติอยู่แล้วก็มีอาการอย่างนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินขนาดว่าคุณหมอนี่ก็เรียกว่าผ่านประสบการณ์ก่อนตายมาม า, มากมายโดยสายาอาชีพเลยเนี่ยคะ่ะค่ะ ถ้าเรามอ ง, องนี้อของการปฏิบัติธรรมนี่ก็เป็นการตายอย่างสมเกียรติใช่ไหมแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าหลายๆคน ท, ที่ทราบข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกอิจฉาเล็กๆเมื่อคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยที่ถ้าต้องตายเนี่ยก็จะโอ้โหทุกทรมานกับโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมเสียบสายนูแทงสายนี่แยงสายนั่นะนะะอยู่ในไอซยูตะลุมบอลกันอยู่ไม่รู้เท่าไหร่กว่าจะถึงกับการแตกดับ แต่นี่กับเป็นการตายที่เรีกว่ามีความสุขเป็นพื้นอยู่นะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในขณะเดียกันเนี่ยก็เป็นช่วงที่เธอกำลังปฏิบัติได้อารมณ์ดีพอเข้าวันที่สี่เนี่ยเริ่มจับทิศจับทางอะไรต่างๆได้มากขึ้นฝุน <c oughs> แล้วหมอกควันในจิตใจที่ขมุ ข, ขมัวมาสองสาวันแรกก็เรยวว่าจางคลายไปพอสมควรนั้นการตายอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นการตายที่น่าสนใจ แต่ก็อีกนั่นแหละว่าเราก็ไม่สามารถที่จะกําหนดหรือว่าเลือกได้ว่าเอาขอตายอย่างนี้นะเลือกอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยได้ค่ะได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือทําที่เหตุไว้บ่อยๆการสังสมกรรมดีไว้มากๆการที่เราไม่ผิดศีลเข้อไปนปฏิบัติอยู่สม่ําเสมอเนี่ยการตายของเราก็จะเรียกว่าไม่ทุกข์ทรมานนะครับแล้วก็ท้าทายความตายได้ถ้าเราทําเหตุปัจจัยไว้พร้อมคุณหมอคะ คุณหมอรับรองเลยแหละค่ะว่าถ้าเราไม่ผิดศีลข้ อ, อนาทิบาตแล้วเนี่ยเราจะสามารถตายได้อย่างไม่ต้องทุกข์ทรมานนะคะฟังแล้วติดใจอะค่ะในความรู้สึกของผมเนี่ยผมรับรองได้แต่ว่าใครจะเชื่อผมหรือเปล่าค่ะอันเนี้ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าได้ยินได้ฟังจากที่พระครูบาอาจารย์มาหรือแม้แต่ในพระธรรมคํำสอนในพุทธศาสนาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยค่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเรา เบียรตายเวียนเกิดมานับชาติไม่ได้นะฮะผมได้ยินประวัติมานะฮะอย่างเช่นว่าในกรณีของหลวงปู่ ด, ดูลอัตุโลเนี่ยท่านก็มีอายุถึงเก้าสิบกว่าปีออใช่ไหมฮะค่ะท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสังขารคือไม่มีบาปตรรมเกี่ยวกับประเด็นตรงจุดเนี้ยฮ ะ, ะท่านท่านจะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรที่หนักหนาสาหัสท่านในขณะที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านก็ไม่ต้องทุกข์ทรมานอะไร พอพร้อมแล้วก็ดัสังขารไปเลยะดับสังขารไปเลยคแต่ก็สังเกตอีกว่าพรูบาอาจารย์หรือว่าคนเราส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้บางทีก็ตุลักทุเลพอสมควรใช่ก่อนที่จะชินชิตเนี่ยคซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นจากผลของกรรมที่ตัวเองเคยทําไว้ก็คือการที่เราได้เคยเบียดเบียนสัตว์ฆ่าัตว์อะไรต่าง ๆ, ๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากเรื่องของผลเบืกับเหตุ ซ่งอาจจะไม่ใช่ปัจจุบั น, นชาติอาจจะเป็นในภพชาติที่ยาวไกลก็ได้นะคะมมครับเป็นการสั่งสมมาค่ะเป็นการสั่งสมมาแน่นอนว่าณจุดที่เราล้ำลึกได้ถึงสิ่งที่เรากําลังสามารถทําได้อยู่เนี่ยค่ะเราก็ยึติการทําที่เหตุนั้นโดยขิ้นเชิงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการสร้างหลักประกันที่ดีนะเป็นการสร้างหลักสัมมาทิฏฐิให้มั่นคงมากขึ้นเนี่ยค่ะนะเราอาจจะไม่ เรียบร้อยในยชาตินี้ชาตินี้อาจจะยังทุรักทุเลอยู่แต่แน่นอนว่าถ้าเชื้อเกิดเรามีอยู่เนียการเกิดใหม่ของเราเนี่ยเราจะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอย่างที่บอกว่าถ้าเรายังต้องเวียนตายเวียนเกิดอยู่แล้วเกิดกี่ชาติกี่ชาติเราก็ตายอย่างแหมสง่าผาเผยอาจจะสนุกกับการเกิดก็ได้นะครับพี่สุรินทรคุณหมอคะในฐานะที่คุณหมอเนี่ยทา ง, งานอยู่ในระดั บ, บของโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ อยากขอถามสักนิดหนึ่งอาการของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่ได้เกิดในสถานปฏิบัติ ธ, ธรรมแต่ว่าเกิดอาการหัวใจวายเฉียบพลันในโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลจะช่วยทันไหมคะยกตัวอย่างนะฮะคุณพ่ออาจารย์กาพลทองบนนุ่มเนี่ย อ, อ๋อยกตัวอย่างไม่ไกลเลยนะฮ ะ, ะไม่ไกลครัครู้ว่าเป็นโรคหัวใจเดินไปโรงพยาบาลด้วยซ้ํำน ะ, ะนอนอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดมีอาการเกิดขึ้น การทางโรคหัวใจด้วยนะค่ะคุณหมอยังเอาไม่ขึ้นเลยครับออเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะช่วยไม่ได้ว่าเป็นเวลาหมดอายุจริงๆฮะค่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าคนเราเมื่อถึงคราวตายเนี่ยค่ะอะไรก็จุดไม่อยู่อืมนะเพียงแต่ว่านัดจุดที่เขาจุดไม่อยู่เนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะนะครับดัน ไม่ได้พูดเชิงท้าทายแต่ว่าต่อให้อยู่ในสถานพยาบาลที่เลิศที่สุดในประเทศเลิศในโลกเนี่ยค่ะนะก็ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านพ้นไปได้นะครับแต่ว่าการตายโดยที่เรียกว่าตายในอ้อมกอดของลูกอนะในขณะที่ใส่ชุดขาวมีความปีติมีความอิอ่มอกิ่มใจเป็นพื้นและยิ่งขณะที่เสียชีวิตในขณะปัจจุบันขนาดเนี่ยจิตใจประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยคืออาจจะหมดเชื้อเกิดไปเลยก็ยังได้นะครับโอ้สาธุ เป็นความตายที่งดงามนะคะเป็นความตายที่น่าอิจฉาของหลายๆคนซึ่งก็คงต้องเป็นเรื่องของการทําที่คำบองที่เหตุอีกนะครัค่ะก็เป็เหตุปัจจัยที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนเวลาทุกขณะที่ผ่านไปจึงบอกว่าเราไม่รู้ว่าวิญญาณเรารู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันจะแตกดับเมื่อไหร่ค่ะดังนั้นพระพุทธองค์จึงตัดเป็นคำสั่งสอนในครั้งสุดท้ายว่าต่อให้มีชีวิตอยู่โดยความไม่ประมาทค่ะนะครับ ประโยชน์ทางใดของตนประโยชน์ทาใดของผู้อื่นใกล้ทําด้วยความไม่ประมาทค่ะฉะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่ผมมองว่าเป็นคําสอนที่เราได้ยินได้ฟังมามากโดยเ้วก็ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ยอยู่เสมอเสมอแต่ว่าบางทีเราก็ยังไม่ค่อยได้ทํากันเนาะคือเห็นประโยชน์ะนะคะ <c' est> แต่ยังไม่ลงทุนจะเป็นการเรียกว่าหวังผลแต่ไม่ค่อยทําเหตุค่ะ ก็งต้องกลับใจกันสัทีนะคะคการยังตนให้อยู่ในความไม่ประมาณทุกเมื่อในที่ทุกสถานด้วยการมีจิตที่เป็นกุศลแล้วก็มีสติกากับใจตลอดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคัลลองที่จะไปสู่สิ่งนั้นได้นะคะครั บ, รบสติเน่ อ, อยากให้มันเกิดเมันก็ไม่เกิดนะต้องอาศัยด้วยการฝึกด้วยการหับด้วยการอบมรมค่ะนะทั้งขู่ทั้งปอบต้องมีหลายแบบนะบางอย่างก็ต้อง บนะบางอย่างก็ต้องขู่บางอย่างก็ต้องตีบางอย่างก็ต้องชมบางอย่างก็ต้องปล่อยมีหลายรสชาติครักว่าจะได้สติมาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนะฝึกฝนเรียนรู้กันไปนะคะครับทาให้เ่็่เราประกันได้ว่าถ้าเราฝึกฝนอบรมให้จิตใจของเรามีสติสัพพัญญะเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจได้แล้วเนี่ยไม่หันไปครบับโหลวงโมายนีชีวิตของเราจะ เรียกว่าเบิกบานแจ่มใสได้จริงๆแม่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมอยากจะฝากไว้กับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราวันนี้คือพี่สตินะคะหรือท้าสตินะคะครับเป็นเพื่อนกับคิดใจเขาท่าดีมากเลยค่ะคู่คิคู่ครับครับครคู่ใคครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคราครับรับครับครัเครับคาับครับครัรัรับคบค่ัครัครับับครับครับรับครัเรับครับครับครับครัครับร ความทุกข์เป็นสาารณะ